การานคกคือของเก่าาายแล้วก็มาเรืเอาเลยอ้าวอืมมีสวายม่นโอ้ยมันอะไรนี่เต็มอย่นี่มันอะไรนี่มีน้เต็มอย่นี นั่งแล้วะนั่งแล้วเกิดเมื่อเกิดเมื่อวานาาานี้มันข้านมากนี่มันมันเกือบร้อยปีเลยยังเห็นเดินบึงบ้งๆได้อีกเรามาแข่งขันกันทำไมเนีเาาา่ยเราฟาดกป้าไม่ก็ไม่เท่าเนี่ยเออ มาแล้วมานัไปเ่าตมาคนรเยมากนั้มาคุณอุดรไปไหนแล้ววะแม่นี็จะคุณอุดรไปไหนมาเเจ้าคุณเจ้าคุณอุดรเราไปตายที่ไหนไม่เห็นมาวันนี้ เรายังไม่ลืมนะเจ้าคุณดูดอนเรานี้นะพูดอยู่ที่วัดโพไปชําระคดีคดีนั้นชำระถึงสองวันไม่เสร็จลงกันไม่ได้เลยมีพระขวางโรคอีขวางอยู่นั่นนะประชุมลงกันไม่ได้จเจาา้จนนาคณะจังหวัดเอาเจ้าคณะผ้าก็มาประชุมลงกันไม่ได้ท่านจะคุณนใหญ่แล่านี่ลนะ ท่านเลยเขียนจนหมายน้อยเท่านี้ละตอนนั้นรถยนต์ยังมาไม่ได้นะถ้านหน้าฝนก็ติดน้ำหน้าแรงก็ติดทรายมาไม่ได้ท่านเลยเขียนจนหมายแผ่นเท่านี้ละมาหาเราท่านโยคุณเขียนย่อๆเลยในฐานะเป็นกันเองมาเขียนว่านิมนตร ไปดับไฟที่วัดโพให้ด้วยเวลานี้ไฟกำลังโหมไม่วัดโพจะแหลกเลวไปหมดมว่าเท่านั้นแหละมีเท่านั้นละแล้วก็ให้อ่านแล้วก็ไปเลยชำระอยู่ถึงสองวันไม่เสร็จที่สามท่านเลยวันนี้มูลเราไปดับไฟวัดโพท่านไหว้กันนะเท่านั้นแหละ เราก็ไปเลยกระพายบาทไปคนเดียวเงียบไปเลยไปก็ขึ้นเวทีเลยท่านสั่งพระไว้ทั้งวัดเนี่ยท่านเจ้าคุณใหญ่เราเนี่ยเอาที่ในเรื่องราทั้งหลายก็ม า, มากแต่มากประชุมกันถึงสองวันจนกระทั่งเจ้าคณะภาคก็มาไม่สำเร็จลงได้เลยข้าวนี่ก็มีเหลืองเหลือแต่อาจารย์มหาบัวองเดียวที่จะมาชี้แกงเหตุผลกลไกอะไรเลย ให้งานไฟไหม้วัดโพนี้สำเร็จลงด้วยดีว่าพระเราในวัดโพเราให้ฟังเสียงท่านฟังเสียงผู้ใดผู้ใดมาสองวันแล้วไม่สำเร็จวันนี้คอยฟังสเนนงสเียงท่านท่านจะแสดงออกแง่ไรมูมใดให้คอยฟังด้วยดีนะวันนี้นท่านสั่งพระในวัดไว้หมดเลยให้ฟังท่านด้วยเหตุผลกลไกลทุกอย่างด้วยดี <c oughs> นี่มันเป็นเหตุที่เราจะได้พูดนะ ก็วันนั้นผู้ราชการจังหวัดก็มาข่าราชการใหญ่ๆมากหมดเพราะเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวระหว่างพระขัดแย้งกันไม่ลงกันพระองค์งที่เคยขัดแย้งนั่นแหละมันขวางน้นขวางนี่อยู่ตลอดอยู่ไหนจะรู้จั ก, จกตับจักปอดกันนี่แหละวางั้นถึงทีนี้ก็ไปพอถึงเวลาก็ไปก็ขึ้นเวทีเลย ไปก็ใส่กันโดยทันทีเอาเรื่องราวอะไรอะไรใครก็ให้ว่าอะไรมาที่เรื่องราวตกข้างอยู่ไงเอาชี้แจงเหตุผลออกมาเราจะเป็นผู้ฟังทุกถิง่งทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมมาก็ขี้แจงเหตุผลออกมาเรื่องราวที่ไม่ลงกันเพราะเหตุใดไม่ลงกันเพราะเหตุผลกลไกลอะไรเอาชี้แจงออกมาขัดข้องต่อหลักสรรมินยัยข้อไหนถือหลักธรรมวินัยเป็นเกนไม่ถืออะไรเป็นใหญ่ในโลกนี้ ลำรับพระเราถือพระธรรมวินัยเท่านั้นซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาให้เราฟังเสียงศาสดาคือธรรมวินัยนะอย่างนั้นก็ซักกันเลยเอากันเลยเราเป็นผู้ทําหน้าที่คนเดียวเพราะท่านเหล่านั้นทํามาแล้วสองวันไม่สําเร็จวันนี้ท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทําเราก็ไปทําจริงๆเต็มเม็เต็มหน่วยไปก็ซักเหตุซักผลกันเราเป็นผู้ซักเห็ดซักผลเรื่องเราทุกอย่างทุกอย่าง ตีลงรวมลองเอาถ้าเห็นด้วยแล้วให้พระทั้งวัดที่รวมประชุมวันนี้ให้ยกมือขึ้นถ้าไม่เห็นด้วยให้ข้านขึ้นมาในข้อสรุปของเราแต่ละข้อละข้อเอากันจนรทั่งว่าสาธุสาธุเรื่อยๆเรื่อยๆ่ได้4 25นาทีเป็นว่าลองกันได้ด้วยดีหาผู้ขัดข้านไม่มีเลยเอาใครยังขัดข้อมตัวไหนเอาข้านขึ้นมา ขัดข้องที่เรื่องอาจารย์หมาบัวมาชี้แจงเหตุผลตามหลักตามหลักวินัยน่าขัดข้องตรงไหนให้ชี้แจงมาคัดค้านออกมาเงียบหมดเงียบหมดประกาศถึงสามครั้งเรียกว่าเงียบหมดแล้วเปนว่ายุติลงกันแล้วเหลือลงกันแล้วเรียบร้อยแล้วนั่นยุติลงเป็นเวลาสี่ห้านาทีวันนั้นเอากันใหญ่ละ นี่นี่แหละที่จะได้พูดถึงเรื่องท่านเจ้าคุณเราจะคุณอุดรนี่มันตายเลยหรือไม่มาเลยวันนี้นั้นพราะเห็นนี่เองนะที่นี่พ่ออยู่ๆก็พ่อนวดเส้นเสร็จแล้วเราก็เหนื่อยเราก็แผ่สั่งหรือนอนในผ้าก็ไปนวดเส้นให้อืมท่านเจ้าคุณเรานี่เป็นนิสัยดีมากนะท่านเจ้าคุณอุดรนี่นะไม่เคยเห็นท่านดุใครเลยนิสัยรียกมาตลอดพูดนิ่มนอนมาตลอดอืแล้วที่เวลาอยู่ๆนะ ท่านนั่งอยู่ข้างๆนี่แล้ที่เราเหนื่อยมากเราก็แผ่สองเหลืองผ้าเรีนไปนวดเส้นให้ที่นี่ท่านอยู่ๆท่างก็พูดขึ้นมาว่าใครอยากเห็นฤทธิ์เห็นเดชของอาจารย์ของเราให้ให้ไปดูเวลาขึ้นเมทีว่านันนะคืออาจารย์ของเราคือเหมือนหลวงตาบัวนี่แหละให้ไปดูเวลาขึ้นเมทีว่ากันนะเพราะถ้าดูที่อื่นก็ไม่สนัดชัดเจนให้ไปดูเวลาขึ้นเมที จะได้เห็นฤทิเห็นเดชกันชัดเจนบนเวสีนั่นแหละตันว่างอยู่นะเราก็เลยดุไปไอ้เรื่องมันเสร็จมันแล้วไปแ ล, วปลว้วมาอุ่นกินหาอะไรละ่ะเราก็ดุเลยนะั่นเราคู่แบบดุเลยเรื่องมันผ่านไปแลว้วเรียบร้อยไปแลว้วนึกว่าจะเอาอะไรมากินของใหม่ๆมากินแล้วเอาของเก่าๆมาอุ่นกินอะไรนี่มันน่ากินมันบูดมันเสียไปหมดแล้วนี่นะว่างนันทางนั้นนึกว่าจะโต้ตอบอะไรต้อตอบแบบนั้นละ่ะแบบนิสัยนิ่มนั่นแหละ แล้วก็มันหน้ามันมันหน้าอุนนอ่นกินอุ่นกินมันยั่งคั่มก็ววเด็ดอร่อยตลอดไปก็ต้องอุ่นกินกันไปเรื่อยๆฉันว่าพูดหน้าฟังนะพูดนิ่มนุ่ยด้วยนะเฉยมันหน้าอุ่นก็ต้องอุ่นกินวันยั่งคั่มมันก็มีรสมีชาดด้วยฉันว่ากันนะนี่พูดเรื่องๆท่านจะคุณตรงนี้ท่านนี้ใสดีมากอ่อนโยนมากทีเดียว นะกับท่านเจ้าคุณนี่ก็ไม่เคยดูใครแต่เล่าคูตามความจริงรู้สึกว่าจะลององค์นั้นนะนิ่มนะองค์นั่นเป็นที่หนึ่งในวัดโพธิสมรณ์ท่านเป็นใหญ่ทางนี้ทางนั่นเป็นใหญ่ท่างบริยานิ่มยิ่งกว่านี้อีกนะพูดกองๆนี่ภาษ า, ษาธรรมเข้าใจไหมท่านก็นิ่มอยู่แล้วถ้าไม่มีคู่แข่งท่านก็นิ่มนะแต่เมื่อมีคู่แข่งอะนี้ท่านเองเลยนะนนี่นะท่านเองเองไม่เซลอมหรอกเอง ดิฉันเริ่มเทรกหนาะสินนะเริ่ม ه, อารมณ์ประกาศาบนธรรมาฏแล้วเอาว่างว่านั่นจะมายุ่งเวลาจะแทรกมาสายภาษาไม่เกียร์จะมาขวางโล่เขาไปมาขวางทําไมคนทั้งชาลาเขาไม่เห็นมีใครมาขวางท่านโอ้นี้เอาวิเศษวิสุทธมาจะอะไรมาขวางโลกเนี่ยไปหนีลงไปเดี๋ยวนี้จะมาขวางผมจัดขอาการรับงานในคนหนุนตาคงพาดชันตลอดหน่งกับนี้ครับเพื่อประโยชน์ อย่ามาขวางล่อบอกแล้วนะ่ะคำนี้เป็นมงคลแล้วคำมานี่ไม่เป็นมงคลจิงข้านกันเข้าใจไหมไปอออไปเดี๋ยวนี้อย่ามายุ่งมันเป็นยังไงพระ อ, องค์นี้น่ะมันมาขวางล่หาอะไรเขาเป็นมหามงคลทั่วทัลลานี่มันมาขวางล่หาอะไ ร, ออะไรบอกแล้วมันอยาดื้อด้านนี่ตอบกันรับกันอย่างนี้เป็นยังไงฟังดีนะ่ะกับความดื้อด้านน้องคนมันเป็นอะไรพระ อ, องค์นีมาจากวัดไหนนี่ ฟังเสียงครูอ า, า, าจารย์มานี่มาหาครูหาอาจารย์เพื่อจะฟังคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ทําไมไม่ฟังพิจารณาดิอยู่จังกับตั้งการใครอยาก อ, อยู่ได้ตาได้ด้วยกันทั้งนั้นมาหาประโยชน์อะไรซึ่งเวลานี้ไม่ต้องการอายุจังกับตั้งการต้องการให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะนะที่มาวันนี้ <c oughs> ก็มีท่านเจ้าคุณใหญ่รองสมเด็จท่านอุตส่าห์พยายามมามาเพื่อความเป็นมหามงคลจากการได้ยินได้ฟัง ด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีและความเคารพนับถือกันนี่เป็นมหามงคลต่างหาอันถือดอกไม้ทุกเจียนมันนิมนต์เขาอยู่อายุจงกับตั้งกันมันขี่ม้าอลไรมาอวดทําไมใครอยู่ได้จำกัดตั้งกันในนี้มีไหมมาหาอวดโลกขวางโลกหาทํำไมขวงธรรมทาไมนี่คำพูดขวงธรรมเข้าใจไหมธรรมพระพุทธเจ้าก็บอกว่า อ, อนิจจาวัณสังขารา อุปาเราดูอาจะทําเห็นว่าอุปชิตวานิรุษชันติเตสังบูปาสโมสุขโขนั่นสังขารตั้งหลายไม่เทีย่ยงมีเกิดเล็ดตายไปนั่นฟังที่น่ะไอเราที่เกิดที่ตายอยู่เวลานี้ก็มีกําลังจะตายอยู่ต่อไปข้างล่างนี่ก็มีเราทั้งหลายก็จะตายเช่นเดียวกันหมหอดนั่นสิ่งที่จะทําให้ดับความทุกข์ทั้งหลายนี่ก็เตสังบูปาสโมสุขโขค้อนังับดับเสียซึ่งสังขารที่พาให้เกิดให้ตายกองกันอยู่นี่ โดยที่เชียงเสียวแต่นั่นแปลสู่กันยิ่งใหญ่นั่นท่านแปลไปแปรอานิจาวัตสังคารากินกล้วยเข้ามากี่หีกี่กีเครือล่ะทําไมไม่เห็นแปรนี้ให้ลูกมหาขออยู่ตั้งกับตั้งกันอะไรมันขวางทำปุโรหิตเจ้ารู้ไหมทำปุโรหเจ้าไม่ได้สอนว่าแต่สังมุปปโซโขระงับดับความเกิดายนี้มันตายอยู่มาตลอดอย่างนี้ด้วยการแก้ไขที่เล็อวิชาตัวสังขารไปให้เกิดนี่สังหา่าเนี้นะ ให้พากันพิจารณามันขวางหน้าขวางหลังยังไงมันไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรพระเราแท้ๆมามีครูมีอาจารย์มีวัดมีแมามีอุปชาอาจารย์ทําไมไม่เสียงฟังเสียงครูเสียงอาจารย์เอาภัยขวางโลกมาขวางทําไมขวางธรรมพระพุทธเจ้าไม่ถูกให้เข้าใจนะมาทําอย่างเนี้ท่านว่าท่านทำถูกแล้วเหรือเนี๋ยผมที่พูดอยู่นี่ผิดไปแล้วเหรือเอาพิจารณาสิถ้าผิดถ้า ถ้าถ้าว่าไม่ผิดขวางมาทำไมนักหนาบ่อขนหนึ่งสองขนยังมาแล้วยังดันเข้ามาอีกเอาพานฟ้านาดดีที่มันด้ฟ้าดนภาพระองค์ด้านนี่นะมันยังดียังให้อภัยกันนะมันเป็นยังไงพระองค์เ น, นี่ยทิศสีมานะจดฟ้าไม่ฟังเสียงครูบาอาจารย์ฟังเสียงใครเสียงครูบาอาจารย์เสียงธรรมเสียงวินัยคือเสียงองค์ศาสดาที่เป็นมหามงคลแก่โลกตลอดมานี่คือเสียงอักเสียงธรรมไม่ใช่เสียงทิศสีมานะไม่ยอมฟังเสียงใครเลยอย่างนี้ใช่ไม่ได้ ใ ห, ให้จับอันนี้ไปพิจารณานะหรือต่อไปจะดื้อยิ่งกว่านี้อีกะพิจารณาสิ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันมหามงคลแกพี่น้องชาวพูทเรามีทางพระเจ้าประสงค์มีพระเจ้าประสงค์มีครูวาจานย์ท่านเจ้าคุณรองสมเด็จที่วัดโพธิสมพร เป็นหัวหน้ามาทางฝ่ายพระและเป็นหัวหน้าทางฝ่ายประชาชนตั้งหลายด้วยมารวมกันเป็นจำนวนมากจากหลายจังหวัดที่มารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อความเป็นที่ริมคลความเป็นที่ริมคลเริ่มต้นมาจากความพร้อมเพียงสามัคคีกันของพี่น้องชาวพุทธตั้งหลายมีความเคารพครูบาอาจารย์มีความเคารพนับถือพระเจ้าพระสงฆ์ ผู้ทรงศีลทรงธรรมแล้วก็มาฟังด้วยความน้อมรับที่จะไปปฏิบัติตามวันดนี้จึงเป็นมงคล น, นานๆนานจะมีทีหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ไม่มีบ่อย น, นักนะมีปีละครั้งนี่ก็ท่านเจ้าคุณรองสมเด็จท่านก็พายาจโจมมามานี่ไม่ได้ถือว่าเราเป็นใหญ่อะไรถือว่ า, าศาสนานี่เป็นมหามงคลเป็นธรรมที่สูงสุด ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมาแต่การไหนเฉพาะ พ, พุทธศาสนาของเรานี่ยจพบองค์สมณะโคโรมส5 0 0้ากว่าปีแล้วที่ล่วงมานี่คือเป็นมหามงคลจิตใจของพี่น้องทั้งหลายน้อมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วก็น้อมรับครูบาอาจารย์ด้วยความความเพียรสมัครถถีกันจึงได้มาในสถานที่นี้เป็นจำนวนมากมายเราดูเอาศาลาหลังนี้ธรรมดาก็ ว่ามันยาวมันกว้างอย่างกิโลสองกิโลแต่วันนี้แน่นไปหมดเราเดินมาตามทางเราเห็นมันแน่นไปหมดที่ศาลานี่แล้วก็มาเดินจะว่าหยอกเล่นหรือตลกอะไรก็แล้วแต่เถอะเรามาเดินนี่ก็โผล่หน้าก็มาใกล้ใกล้พวกโยมพวกไม่ออกนั่นแหละที่นี่มันค่าแคบเราว่างั้นนะที่นี่ที่ศาลานี่มันค่าแคบนู่นกลางทุ่งนามันกว้างขวางไปพาก็มานั่งกลางทุ่งนาน่นว่าว่าแล้วก็มา <c oughs> นั่นอย่างนั้นล่ะ คือมันครบแคบมากต่อมากด้วยความพร้อมเพียงสมัครใกันวันนี้จึงเป็นวันมหาหมงคแลแก่เราทั้งหลายพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต่างท่านต่างมาจากทุกทิศทุกทางโดยถือหลักธรรมคือศาสด า, าองค์เอกได้แก่พระธรรมพระวินยัยนี่คือศาสด า, าของเราทั้งหลายที่ติดตัวของพระของโยมมาเฉพาะอย่างยิ่งติดตัวของพระคือศีลสมบัติได้แก่สมบัติอันล้นค่า คือศีลเป็นสมบัติของเราสมาธิสมบัติลสมบัติอันยอดเยี่ยมคือจิตเป็นสมาธิด้วยการอบรมกิตารภาวนาให้มีความสงบร่มเย็นจิตที่เคยว่าวุ่นขุนมัวขนาดไหนก็ตามกิตารภาวนาเป็นธรรมบใหญ่กั้นไว้ได้ให้อยู่ความสงบร่มเย็นน้าก็ผ่งใสกั้นเขื่อนใหญ่ไว้แล้วคือสมาธิกั้นเอาไว้ ความฟุ้งซ่านรำคาญมันก็ค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปจิตใจมีความสงบร่มเย็นนี่เรียกว่าสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติคือพินิจพิจารณาใข้ควรวญท่าขันของตนตามที่พระพุทธเจ้าประทานงานอันเลิศเลอให้แล้วว่าเกสาคือผมโลมาคือขนหน้าขาคือเล็บ ท่านตาคือฟันคือแคลตาจคือหนังหุ้มหอกระดูกดูนี่พองงามตา ม, มารวมกันได้นี่คืองานอันเลิศเลยของพระผู้จะยบุกเบิกจากกวาจากน้ำจากความเกิดแก่เจ็บตายตายกองกันจงอยู่ในกองทุ่งนี้ไปได้เพราะ วิชาความรู้เครื่องมือที่ทันสมัยที่พระพุทธเจ้ามอบภัยนี้ห้าประการเป็นเบื้องต้นก่อนคือแกศาโรมาณขาทันตาตาโจผมขนแลยบฟันหนังโลกติดอันนี้แหละภูเขาทั้งลูกไม่ติดมันจะสูงขนาดไหนขึ้นหัวมันไปในภูเขาไม่มีอะไรสูงยิ่งกว่าฝ่าเท้าของมนุษย์เราสัตว์เรา ภูเขาจะสูงขนาดไหนฟ้าเท่าขึ้นหยาบได้อย่างสะดวกสบายไม่ติดเรื่องภูเขาทั้งลูกไม่ติดที่มันมาติดก็มาติดภูเขาภูเรานี่แหละเพราะว่าคนนั้นสวยคนนี่งามเขางามเรางา ม, เ, างามเขาสวยเราสวยติดอย่างนี้แล้วก็ภูเขาทั้งลูกเป็นเรื่องเล็กน้อยภูเราอันนี้สําคัญนะมาติดภูเรานี่แหละต่างคนต่างติดอยนี้ตายก็ตายกองกันอยู่นี้สําหรับพระเรา มุ่งพู้ที่จะเสด็จตามพระพุทธเจ้าให้ทันแล้วให้เอาเครื่องมือห้าประการเกสาโรมาณขาฐานตาตา่าโจบุกเบิกเข้าไปในโซนโกลกายของตัวเองและของสัตว์โลกมากน้อยเพียงไรให้พิจารณาเตศาถ้าจิตยังไม่สงบจะเอาเกสาโรมาณขาฐันตาตา่าโตเป็นคําบุญกรรมภาวนาจนจิตสงบเย็นลงได้ก็ได้นี่ในเบื้องต้นเป็นสมชารรม เจสาลุมานขาถันตาแะโจแปลว่ากัมตะจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากัมกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้านี่ให้พิจารณาอยู่อันนี้ให้ละเอียดรอตอนเบื้องต้นเรายังตอนตอนต้นเรายังพิจารณานี้ไม่ได้ให้ถือเป็นสมถะรมเอาอารมณ์แห่งธรรมทั้งห้าข้อนี้แหละใครจะติดใจในอารมณ์ใดเจสาเจสาใช้คํำม ร, รรมดูผมเจ้าของ ดูขนดูเล็บเจ้าของดูฟันเจ้าของจดจ่ออยู่ที่ฟันรถจออยู่ที่มันหลังเจ้าของเนี่ยซะก่อนเป็นจดจ่อแห่งอยู่ในนี้เป็นคำบริกรรมตาโจตาโจพิจารณาตาโจรจนจิตมีความสงบแล้วก็แยกเกสารุมานะขาต่างๆตาโจนี้ออกเป็นนิปัสนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันแยกสัตว์แยกส่วนแยกเขาแยกเราแยกผมแยกขนแยกเล็บแยกฟันแยกหนังออกไปท่านี้ หนังขนก็ถอนออกไปผมถอนออกไปหมดเรียบฟันถอนออกไปให้มีตั้งแต่ฟันเปบาๆดกวันนี้ก็าเอาฟันลองมาใส่นะอืให้มีตั้งแต่ฟันเบาๆ ฟ, นะ ฟ, ฟันไม่มีก็เอามีแต่หนังก็พิจารณาหนังลงไปสินี่แหละที่จะแยกออกไปเป็นมิปัสสนาแยกดูเนื้อดูหนังทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกศาสตร์ไม่มีอะไรใครยิ่งย่อนกว่าใครเหมือนกันหมดติดก็ติดแบบเดียวกันเรียกว่าติดฟูเรา แล้วพิจารณาผูเราดี่ให้แยกสรรเป็นส่วนออกไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นอสุภะอสุฟังน้ำเน่าน้ําหนองเต็มอยู่ในโครงกระดูกของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนี่แหละเรียกว่าปัญญาพิจารณาทางด้านกรรมาฐานสําหรับพระเราที่จะบุกเบิกตนให้ถึงมรรคผลนิพพานให้เอานี่เป็นเครื่องมือบุกเบิกไปพิจารณาแยกธาตุแยกขันด้วยอิปัชฌนาญาณคือความรู้อันละเอียดแหลมคมของปัญญา แยกแล้วแยกเราพีนาพนา่นาแล้วพี่เจนานาเล่าเหมือนเขาคลาดนาคลาดไปกลับไปกลับมาไม่นับเที่ยวคลาดจนมีความชำนี้ชํานานพิจนาไรตลบทบทวนแล้วจิตจะค่อยแจ้งสว่างผมเป็นผมเท่านั้นขนเป็นขนเล็บเป็นเล็บฟันเป็นฟันเท่านั้นหนังเป็นหนังเท่านั้นไม่เลยอย่างหนังไปหาศาสตรธรบุคคลที่ไหนมีห น, นังเท่านั้น นังสัตว์ทั้งหลายก็มีนังรองเท้าที่เราเยียบมานี่ก็มีไม่ติดแต่นังคนนังสัตว์ที่อยู่กับตัวคนทำไมมันติดเพราะเหตุไรนังประเภทเดียวกันเอาแยกออกนี่เรียกว่าปัญญาทางวิปัสสนาแยกออกแยกออกแยกหลายครั้งหลายหนถือันนี้เป็นการเป็นงานเหมือนเขาคลาดนาตลทบทวนไปหลายครั้งหลายหนจนมูลคลาดมูลไถยแหลกละเยียด ควรแก่การปักดำเขาก็ปักดำกันอันนี้ก็เหมือนกันทางวิปัสสนาพิจารณาธาตุขันจนแหลกละเอียดแหลกละเอียดลงไปพิจารณาเรื่องอสุภะก็เต็มตัวเขาตัวเราพริจารณาไปเรื่องไหนก็นป่าช้าผีดิบก็ดิบทั้งเขาทั้งเราตายแล้วก็ไปทั้งเขาทั้งเรานั่นแหะผีดิบผีแห้งมันอยู่ในตัวของเราทุกคนนี่เรียกว่าพิจารณากรรมฐานพระลูกพระหลานทั้งหลายรู้จักกรรมฐานไหม บวชมาจนกระทั่งป่านนี้เลยรู้แต่เข้าต้มข้านมมื้อเช้าไปบินทบาทได้เข้าต้งขงนมมากินนอนหลับคล่อกคลอกแล้วคือขนองนั้นเหลือพิจารณาตัวของเราที่นี่เรเลื่อมกรรมฐานพิจารณาจากนี้ก็พิจารณาจนกระทั่งร่างกายนี้แหลกละเอียดไปด้วยความำชำนิชานาญของสติปัญญาพิจารณาอะไรรอบโรสชาตินี่เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทางนั้นไม่มีอะไรมีของเลิศของเลอ พิเศษวิโสที่ไหนว่าดีว่าดีว่าเจริญรุ่เเรืองมันมีแต่กองกะระดูกทั้งนั้นจะเอาอะไรมาเจริญเลิศเลอพอจะให้ติดให้ฝันมันนี่แปัญญาสอนเข้าไปสอนเข้าไปแล้วปล่อยอุปท า, านความยืนมัน่นถือมั่นเข้ามาโหดโย่นเข้ามาโหดโย่นเข้ามาโจนกระทั่งร่างกายแหลกละเอียดเข้าไปหาจิตอันเดียวในร่างกายอรูปภาสุพรรณแหลกละเอียดเข้าไปแล้วติดเข้าไปหาจิตจิตเป็นอรูปภาสุพรรณพิจารณาจิตนี้แตกกระจายออกไปร่างกายหมดความหมาย นี่ผ่านไปได้สําหรับผู้พิจารณาทางด้านวิปั ส, สนาผ่านอสุภริยะอัจฉริร่างกายนี้ไปได้แล้วราคาตันหาหมดไปในตอนนี้จากนั้นก็เป็นนามธรรมา <c oughs> นี่แหละพูดถึงเรื่องวัตถุเจรสารุมาขึ้นก่อนเบิกอันนี้เข้าไปหมดสภาพแล้วด้านวัตถุทั้งหลายหมดสภาพด้วยการพริจารณาละ เ, เอียดออกปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนี่ราคาตันหามันจะเอายกทำมาจากไหนพังไม่หมดไม่มีอะไรเหลือ ถ้าลงพิจารณานี้มันยากทาจะขันรวมเป็นอสุภสุปังเป็นความละเอียดออกเข้ามาสู่จิตใจอันเดียวใจเป็นตัวอสุภอสุปังใจเป็นตัวโกหกหลอกลวงตัวเองไปวาดท่านขึ้นมาสวยงามภาพนี้ขึ้นมาไม่สวยไม่งามหลอกตัเองอยู่วันยัางขํามย่างข้ามเมื่อปัญญาพิจารณาแล้วกว็อ น, นั้นไหลเข้ามาไหลเข้ามาสู่ใจใจเป็นตัวโกหก ใจเป็นตัวว่ า, าสุภาพสุภาพไม่สวยไม่งามใจเป็นตัวว่า ส, สุภาคือความสวยความงามใจนี่ตัวหลอกลวงหลอก ล, ลวงที่อัศวาสุพัรณทั้งหลายแต่กระ จ, กกจายไปมารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวใจเป็นอัศวะสุภาพใจเป็นตัวป่าช้าพีดิบใจเป็นผู้หลงตัวเองต่างหากพิจารณาตรงนี้ปล่อยตรงนี้อีกพ อ, อปล่อยตรงนี้แล้วเรื่องราคาตัดหามหมดหมดเข้าไปโดยลําดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่น่า ม, มาทำล้นล้วน รูปธรรมคือเกสาโรมานะะัขาทันตาตโจอกหมดปัญหาไปทางด้านวิปัสนาปัญญาด้วยการพิจารณาละเอียดแล้วปล่อยวางได้หมดแล้วนะนั่นจะนั่ก็ น, นา ม, มาทำเวสนาสัญญาสังขารวิญญาต์อยู่ในขันห้านี้แหละพิจารณาเวสนาความสุขความทุกข์มันเกิดมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาจากใจเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนั่นให้เห็นกฎมายาของมันเวสนาสัญญาสังขารวิญญาต ความจดความจํามันจําแล้วลืมไปจําแล้วลืมไปมีแต่เกิดกคำดับเกิดกคำดับแล้วทบทวนเข้าไปไหลก็้าไปหาใจนั่นนี่เรื่องการพิจารณาวิปัสนาท่านหลายจำเอาไว้นะอืแ ล, ล้วไหลก็้าไปหาใจสุดท้ายมิแต่นามาทําเกิดจากใจแล้วดับที่ใจอวิชาอยู่ตรงนั้นอวิชาตัวให้หลงความซีดความปรุงของตัวเองอยู่ที่ตรงนั้นเวลาพิจารณาทบทวนหลายครั้งลหลายโหนมันก็เข้าอกเข้าใจในเรื่องเหล่านี้เข้าไปถึงอวิชา อวิชาถอนขวดขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิงกรรมฐานทั้งห้าหรือกรรมฐานใดๆก็ตามหมดโดยสิ้นเชิงเมื่ออวิชาอันเดียวที่เป็นกว่าเป็นน้ำก้อนสัตว์ทั้งหลายให้มาเผาอยู่ในป่าช้าผีดิผีแห้งอยู่นี่นะหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนี่ตั้งแต่บรรนั้นไปกรรมฐานไม่มีในจิต ที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วกรรมฐานเหล่านี้เป็นทางก้าวเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อจิตถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตถึงพระนิพพานแล้วกรรมฐานซึ่งเป็นทางเดินหมดเราโดยสิ้นเชิงกรรมฐานไม่มีในจิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วที่ไม่บริสุทธิ์นั่นก็คือเอากรรมฐานนี่เป็นทางก้าวเดินไปเพราะอิ ต, ติอันนี้เมื่อจิตได้ถอดถอนจากอันนี้ลงไปแล้วจิจจะปล่อยปล่อยตัวนี้ทั้งหมดหรือ เข้ามาถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นมีมูดพญานาคหรือเป็นธรรมชาติกรรมฐานทั้งหลายที่เคยพิจารณามาหมดลงโดยสิ้นเชิงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมูิทั้งมวลนิพพานด้วยธรรมชาติไม่ใช่สมมูิถึงที่สุดแห่งความเกิดแก่เก็บตายถึงที่สุดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงไม่มีกรรมฐานใดๆติ ด, ดตใจของท่านผู้บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วคือธรรมชาตินี่แหละ กรรมฐานหมดโดยสิ้นเชิงในตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นทางเดินพอถึงขั้นนี้แล้วหมดไม่มีแล้วกรรมฐา น, นที่ไปติดใจของท่านฟูรีสุโรกเกสาโรมานี่ก็เป็นทางก้าวเดินเมื่อก้าวเดินหรือเป็นเครื่องมือบุเบิกเมื่อเสร็จสิ้นงานการทั้งหลายแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงเหมือนเขาทำงานทำการเมื่อเสร็จสิ้นการงานเรียบร้อยแล้วเครื่องมือเขาก็เก็บกัน ร, กรักษากันไม่เป็นธรรมดา นี่ก็เหมือนกันเ <c oughs> จษขาโรมานากข า, าจันตาแต่โจซึ่งเป็นเครื่องมือทํางานเครื่องบุกเบิกทกิเลสสังหลายเมื่อกิเลสสิ้นเสร็จลงไปแล้ว เ, เครื่องมือสั้งหลายนี่ก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงกรรมฐานก็อยู่กับใจนี้แหละแต่ใจไม่ยืดไม่ถือกรรมฐานจึงไม่มีแก่ใจใจไม่ไม่ยืดไม่ถือกรรมฐานต่างอันต่างอาศัยกันอยู่จิตที่บริสุทธิ์ก็อยู่ในเรือนร่างแห่งกรรมฐานนี้แหละ แต่ไม่ติดกรรมฐานเกสาโรมานาคาทันตาปัจจโจของพระอรหันต์กับปุถุชนมีเหมือนกันแต่ท่านไม่ติ่ท่านเป็นจิตวิมุตต์หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วจากกรรมฐานทั้งหลายพ้นแล้วจากโทษทั้งป่วงเอาพูดให้เต็มยันไม่มีใครพูดหลวงตาบัวองค์เดียเป็นผู้พูดเมื่อหลุดพ้นจากสมมุิโดยประการทั้งบ่วงแล้วสังขารท่เศษปาราชิกไม่มี อาบาตอากีทุกอย่างที่จะเข้าไปติดใจของพรลหันไม่มีเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมุิทั้งมวลจิตนั่นเป็นจิตวิมุิหลุดพ้นไปแล้วยังเหลือตั้งแต่ธาตุขันที่เป็นสมมุิด้วยการคลองกันอยู่จึงต้องรักษากิริยามารยาทอันสวยงามให้พอเหมาะพอสมทั้งว่าศาสนาก็ยอมรับทั้งฝ่ายประชาชนก็ยอมรับสังคมยอมรับกันด้วยมารยาทของผู้มีศีลธรรมทั้งผู้มีทีเดช ทั้งผู้ที่สิ้นจิตแล้วมารยาทที่จะรักษาธาตุขันนี้มีเสมอกันท่านรักษากันไปีบงนั้นแต่ที่จะให้ท่านมาเป็นสังฆาปาชิหมดชุดวิสัยแล้วที่จะเป็นไปได้ท่านครองขันอยู่ด้วยความบริสุ่ใจขันอันนี้ก็ต้องปฏิบัติแบบโลกเขาปฏิบัติกันเราเป็นพระเขปฏิบัติแบบพระสมบูรณ์แบบตามเดิมโลกเขาก็เป็นโลกเขาตามเดิม นี่แหะส่วนจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วไม่มีโทษมีภัยไม่มีกรรมใดๆที่จะเข้าไปติดจิตที่บริสุทธิ์เลยแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าปราชิกสังขาริีเสษเป็นโทษที่หนักที่สุดในวงสมมุติเรสลัดปัดขาดสะบัดอไปแล้วเป็นคนลฝั่งเป็นนิพานเป็นธรรมชาติแล้วหมดโดยสิ้นเชิงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติสังขารปราชิกเป็นสมมุติความหลุดพ้นนั้นเป็นนิมุตหลุดพ้นแล้วคล้องแขนอยู่ ที่เป็นที่เป็นสมมุติก็คือขันขันนี้ต้องรักษาไว้จนถึงการเวลาแพศของพระรักษาคติยามารยาทความประพฤติปฏิบัติของพระให้อยู่ในศีลในธรรมอืมจนกระทั่งถึงวันนิพพานก็สิ้นสุดไปหมดทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ด้วยกันขาดสะบันไปหมดแล้วมีหมดหลุดพ้นโดยเรือสิ้นเจิญนี่ละพระปฏิบตัติพูดให้เต็มเย็ดเต็มดวยแล้วพูดมานี้ถอนจากหัวใจมาพูดนะอืม น่เรื่องขันเรื่องคาดเรื่องขันยุ่งเรี่อยกันก็จริงแต่จีตไม่มีในนั้นแล้วผ่านไปหมดโดยสิ้นเชิงว่ารักว่าชอบว่าอะไรก็พูดไปตามจิิยาของสมมติที่มีอยู่ในขันทั้งของเก่าของเราเท่านั้นที่จะให้ว่าเป็นมลทินมวมองให้ไปตนกนรกอเวจีย่างโลกทั้งหลายเป็นการย่างผู้มีชีเล ต, ตอย่างเดียวกันตอกันไม่มีจจิตของท่านพูะวีสุทวิมูดดุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิง ท่านผู้ี้ครองแต่ขันคลองแต่ความสวยงามตามสังคมยอมรับทั้งฝ่ายพระฝ่ายคารวะพระก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของพระสมบูรณ์แบบไปโดยรแะบาบดจนกระทั่งวันนี้ผ่านเท่านั้นคารวะก็ปฏิบัติไปตามคารวะนี่คือการปฏิบัติกรรมฐานถึงจุดจุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแล้วคําว่าอัตาอตาก็ดีอนัตตาก็ดีเป็นทางก้าวเดินเพื่อพฏิีผ่านเมื่อก้าวเดินนี้ผ่านพ้นสุดท้ายไปแล้วก็ อันนั่นคือพณิพาอันนี้ก็คือใจรักคือทางเดินจริงเป็นคนละฝั่งให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าพากันไปโฉกไปเสียงกันให้มันรู้ขึ้นทีใจนี้จะไม่ถามใครเลยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรมันจะรู้ขึ้นทันทีทันใดเลยเออพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยหรืออย่างนี้รือถามทันหาใดความรู้ความวิเศษวิสโสความดุดพ้นเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆกพระองค์ กรารผู้ที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสาวกก็ตามบริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่ได้ถามกันนิรธรรมไปถึงขั้นสารทิฏิโกสูตรยอดแล้วไม่ต้องมีใครถามใครอีกเลยที่บริสุทธิ์แล้วยังจะให้คนอื่นมายืนยันรับรองเช่นพระอาหารหันต์บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เรียบร้อยแล้วถึงต้องหาพระเจ้าต้องต้องให้พระเจ้ามารับรองไม่มีในกัมพีไม่มีในความจรงิงคมพีก็ไม่มีความจริงก็ไม่มีความจริงมีแต่สารทิฏิโกผู้บรรลุธรรม นั้นรู้โดยตัวเองโดยเองโดยลำดับลำดับจกระทั่งสารทีโกสุดยอดคือหลุดพ้นแล้วก็รู้ตัวเองไม่จำเป็นต้องไปถามทูลถามพระพุทธเจา้านี่แหละทเป็นธรรมทันเอกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมแล้วมาสอนโลกว่าผิดเพี้ยนไปไม่มีกงเป่งกงเปงตลอดคงเส้นโงวาหน า, นานแน่นจึงเรียกว่าสวาขาโตภควตาธรรมโม พราธรอันผู้ผู้ผู้ภาคเจ้าไดต้ตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วให้พากันปฏิบัติตามฐายทางเดินที่สารได้ชอบแล้วนี่เถิดมรรคผลนิพพานจะเป็นของท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ตักตวงมาเป็นสมบัติของตนแต่ผู้เดียวและผู้ที่ฝ่าฝืนคําสอนของเจ้านั้นผู้บืนลงนรกเอเวจีว่าบาปมีว่าบาปไม่มีเอาผู้ว่าบาปไม่มีผู้นี้จะสร้างความล้มจมให้แก่ตัวเองอย่างเหลือแต่ลมหายใจฝอดฟอดพอตายแล้วก็ไม่ต้องบอกจะมีบาลลากคอไปเลย ถ้ามีอะไรอีกมีหางลากหางไปเลยมีคอลากคอมีแขนลากแขนลากไปหมดลงนโลกวิจีไม่มีคำว่าอุทธรสารอุทธรในโลกวิกฤไม่มีมีอยู่กับตัวเองที่สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์กรรมมานี่ก็ไปโดยสมบุรณ์ลงในโลกวิกีตภูมิใดภูมิใดจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนโลกมันสวรรค์ไม่มีว่าเท่าไรก็มีแต่ลมปากที่หายใจมาฝ่อตายแล้วหมดลมปากหมดอานาจนะกรรมต่างหากเป็นธรรมชาติที่มีอานาจมาก บางคับสัตว์ต่างหลายกรรมนั้นไม่อยู่กับใครอยู่กับผู้ทำใครทําดีได้ดีใครทําชั่วดีชั่วท่านว่ากรรมสากองพี่กรรมมาทายาโทรกรรมเป็นของของตนทุกคนจะแบ่งสารแบ่งส่วนให้ผู้ใดไม่ไ ด, รรมด้กรรมเป็นแรงเกิดกรรมเป็นผู้พาให้เกิ ด, ใ ห, กดให้ตายให้ดีให้ชั่วใครทำแบบทํากรรมทําบุญทาอะไรเป้นของผู้นั้นโดยสิ้นเชิงไม่เป็นของผู้อื่นผู้ใดยังขอให้ท่านท่างหลายได้ระมัดระวังกรรมนี้อยู่กับตัวของเราทุกคนผู้ทําไม่ทําดีก็ทําชั่ว ไม่ทำชั่วทำดีเจ้าหนันก็ทำกลางกลางท่านจริงว่ากุศลนะกุศลอวัยวะปตะกต า, ต า, ตานั่นเป็นสามอย่างนะกลางๆงไม่เป็นบาปเป็นบุญเช่นอย่างเรารับทานไม่เป็นบาปถ้าไม่โลภมากนั้นะโลภมากกินไม่อยู่ไม่ถอยท้องแตกท้องก็แตกบาปก็เป็นในคนนั้นเข้าใจนี่แหละธรรมพระถุติเจ้าขอให้ท่านต่างหลายนำไปปฏิบัติพุทธศาสนาเป็นศาสนาชั้นเอกแล้วยืนยันด้วยภาคปฏิบัติ เพียงเราเรียนในตำหนักตำราซึ่งเป็นความถูกต้องก็จริงแต่ว่ายังไม่ถนัดชัดเจนยิ่งกว่าเราเรียนมาแล้วนำตำหนักตำรามาเป็นแบบแปนแผนผังกลางแบบแปนแผนผังแล้วปฏิบัติตามตำหนักตำราที่ท่านสอนจนเป็นผลปรากฏขึ้นมาแต่ต้นเช่นสมาธาธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมิมุติธรรมมิมุติหลุดพ้นจากการปฏิบัตินี้ทั้งนั้นเพียงเราเรียนหม่เสยเป็นเพียงจำได้จำได้แบบแปนแผนผังเรียนเท่าไหร่ก็ละกิเลสไม่ได้ เรียนมากเรียนน้อยก็เรียนเพื่อเป็นแบบแปลนแผนผังไปปฏิบัติเพื่อเอาผลจากการปฏริบัตินี้สังหารเป็นปฏิเวทขึ้นมาปฏิเวทขึ้นมาคือความรู้แจ้งแต่งทะุเพราะย่านท่านยังสอนว่าปริญัตปฏิบัติปฏิเวทปริยั ต, ติคือแบบแปนแผนผังให้จดจัำแบบแปนผังแล้วปฏิเวทมาปฏิบัติเช่นปลูกบ้านผูกเรือนแปนเขามีแล้วผูบผผมามากผบ้านผูกเรือนเอาแปลนั้นมาตากแล้วลูกบ้านผูกเรือนจะเอาที่ห้องที่หันอืม กว้างแคบขนาดไหนเอาสร้างขึ้นมาตามแผนสําเร็จเป็นแผนตามแผนขึ้นมาเรื่ับๆจนเป็นตึกล่ามบานช่องโดยสมบูรณ์แบบอันนี้ก็เหมือนกันเรียนมาแล้วเอาสร้างปริญาต์เอาปฏิญาตเรียนมาจดจำแต่นี้ปฏิบัติปฏิบัติจิตมันเป็นยังไงมันมีไม่มีความไม่มีความสงบโล่งเยน็นว่าวุ่นขุ่นมัวทั้งแต่ที่เรียนมาม า, มากจนกัมภีร์จะแตกทีเด็ดตัวเดียวไม่ถลอกเปล่าเปลกมันเป็นเพราะเหตุอะไร ม, มันเป็นเพราะเหตุว่า เอาคัมภีร์มากลางให้ไล่ที่เหล็ที่เหล็ไม่ออกต้องเอาภาคปฏิบัติมากลางไล่ที่เหล็กออกออออกจนหมดโดยสิ้นเชิงเป็นปฏิเวทคือความรู้แจ้งเป็นลําดับลําดาจจกระตั้งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนี่เรียกว่ า, าศาสนาสมบูรณ์แบบปริญาตปฏิบัติปฏิเวทถ้าขาดในเลี้ยวศาสนาขาดบาดขาดาตาแตงไม่เต็มบาดเต็มแตงแล้วให้เอาปริญาติมากลางแล้วปฏิบัติตัวเอง ปฏิบัติตัวเองแล้วก็เป็นปฏิเวทผลก็ได้ขึ้นมาเป็นแบบจนเป็นเป็นปฏิเวทโดยสมบูรณ์ขึ้นมา <c oughs> นี่ทำมากคำสั่สอนของพระพุทธเจา้าให้พากันนําไปปฏิบัติอย่าเชื่อใครเชื่อใครยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจา้านอกนั้นเป็นคนมีกิเลสทั้งหมดด้นเต้าเกาหมาัดไปได้ทั้งเขาทั้งเราพิถีพถันดีชั่วเกากระไปเลยยิ่งกว่าหมาชี่เลื่อนหมาชี่เลื่อนนี่เขา เ, าเกาเฉพาะที่คันที่กันไอ้มนุษย์ มันน่าหยาบนาด้วยกิเลสตัณหามันเกาดะไปเลยนะมันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าว่าบาปมีมันบอกไม่มีนรกมีสวรรค์มีพระมโลคนี้ผ่านมีมันบอกว่าไม่มีมีเหยียบหัวพระพุทธเจ้าหมดคือเหยียบหัวตัวเองให้แหลกเหลวนั่นเองทั้งๆที่มีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจพอลมหา่ใชจขาดสะบ้านและตูมลงเลยนรกไหนพรนรกมีหรือไม่มีโดนแล้วนรกมีหรือไม่มีโดนแล้วนั่นเห็นไหมล่ะ พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วด้วยความชอบธรรมคือสวารัตส์ธรรมตราไว้ชอบแล้วมันฝืนมันเก่งกว่าศัสดาเยียบหัวศาสว์ราไปก็จมลงในโลกได้นี่ผู้เหยียบหัวศาสดามีจะพูดลงในโลกอวกกี่ตา น, นผู้ประครับประองเดินตามรอยศาสดาที่สอนไว้นี่พึงผููจะไปสวรรค์นิพพานโดยสมบูรณ์ทั่วกันเนี่ไอ้พระกันจําเอาทุกทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันมงคลของพี่น้องทั้งหลาย เรามา ว, วังบางบุญวังกุศล น, นี่เต็มสลานอกสลาที่เรียกอยังมีอีกเต็มไปหมดจึงเรียกว่าเป็นมหาหมงคลบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาในวันนี้ก็มาเพื่อความเป็นมงคลขอให้ยึดหลักธรรมที่สอนไว้นี้โดยถูกต้องไปปฏิบัติตนเพื่อทรงมากทรงผลมากผลนิพานไม่ได้อยู่ในกัมภีร์นั่นเป็นชื่อมากผลนิพานมากผลนิพานแท้อยู่ที่หัวใจเราผู้สร้างบาปสร้างบุญนี่เองและนรกอัวิกีก็อยู่ที่หัวใจเราผู้สร้างบาปสร้างบุญ ขอให้สร้างความดีให้ดีมากผลนิพพานจะเบิกกว้างเบิกกว้างขึ้นกับใจของเราแล้วถึงได้พระพุทธเจ้าท่านเอาอะสะพานข้าดาไว้คือคําสอนสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเรียกว่าสวขาตธรรมให้เดเนินตามนี้อย่าฝ่าอย่าฝืนถ้าใครไม่อยากจมลงในโลกทั้งเป็นให้ตั้งใจปฏิบัติตามธรำของพระเจ้าเพราะคําพูดของคนในโลกนี้ไม่มีคําพูดใดที่จะแน่นอนยิ่งกว่าคําพูดของาศาสดาองค์เอก เราจะเราเก่งตราบมาอะไรเป็นสวัสดิธรมสวกธรรมตราสไว้ชอบแล้วทีแล้วทั้งนั้นเลยไอ้พวกเราพูดออมาคําไหนหลอกลงต้มตุนไปได้ทุกแง่ทุ่งมุงยกตัวอย่างเช่นพวกที่มีครอบครัวก็มันมีครอบครัวเราก็ต้องพูดเรื่องครอบครัวไปบ้างอสิมีครอบครัวไปตัวผัวตัวแสบเวลาไปเที่ยวโนอนเตะๆเร่ร่อนไปแล้วไปติดผู้หญิงวิ่งตามผู้หญิงไปทั้งเมียเดือดร้อนอยู่ทางบ้านทางเดือนแล้วเวลาเขามาถาม เพ่อบ้านไปไหนล่ะไอ้นายนั่นไปไหนล่ะไอ้นายบ้าผู้หญิงไปไหนมไม่ทราบหายไปแล้วหลายวันแล้วไปวมันติดผู้หญิงนี่ละบ้าผู้หญิงบ้ากิเลสเนี่ยมันทำครอบครัวให้แตกแหลกเดืยวไปหมดนี่แหละคนเลยขอบเขตไม่ฟังเสียงคำพูดที่เจ้ากาเมสุวิชาจารย์เป็นขอบเขตอันหนาแน่นมัน่นคงมันไม่ยอมอยู่ในหลักศีลหลักธรรมมันปีน ศีนกาเมฆุมิจารย์คือเหยียบหัวบริเจาะก็ไปเห็นผู้หญิงว่าเป็นของดีพองดีมาเอาฟืนไฟเผาโขกเมียมันอยู่ในบ้านไม่รู้ตัวนี่แหละวกวสันนิโรกทั้งเป็นให้พากันดูนะมีไหมที่มาฟังเทศฟังธรรมอยู่เนี่หัวจองห้องเมียจองห้องมีไหมให้ปราบความจองห้องตัวเองเลือกราคาตั้นถามมีอยู่กับทุกคนแม้แต่สัตว์เขาก็มีอคนเราแท้ๆเป็นผู้มีสีมีธรรม มียาแก้มีเครื่องปราบทําไมไม่เอามาปราบสิ่งเสนียยจันไรที่มันพาคึกพากนองให้เป็นบ้ากันทั้งกรอบคัวเอาฝอยเผากันอยู่ดีไม่ามาปราบมันบ้างมันต้องเอาสีเราทำปราบอันอื่นปราบไม่ได้นะเอาสีเราทำมาปราบมันแล้วมันจะสงบร่มเย็นผัวก็เย็นเมียก็เย็นผัวเมียไว้ใจกันได้เป็นที่ไหนถึงไหนถึงกันทุกก็ยอมมาถูกแต่หัวใจที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันนี้ไม่ทุก พราะเป็นคนมีความซื่อสัสตย์สุจริตต่อกันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนี่ไปที่ไหนเป็นสุขเป็นสุกเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านล้านจมลงได้เพราะความลืมตัวมีมากนะในเรื่องเหล่านี้ในตำราท่านแสดงไว้มากเศรษฐีนี่มีเงินมากลืมเนื้อลืมตัวไปจ้างผู้าผู้หญิงลูกหลานใครก็ตามเอามาบำรุงบำรเลอก่อฟืนกอ่อไฟเผาให้เขาเดือดร้อนไปทุกครอบครัวเรือนเกิด ไฟเผาไปหมดเพราะความลืมตัวของเศรษฐีนั่นแหละฮันตายลงแล้วไปจมในนรกนั่นเห็นไหมล่ะลงเงินนั่นละ่ะพาเจ้าของให้จงเพราะลืมตัวผู้มีเงินด้วยความมีศีลธรรมไม่ลืมตัวมีมากเท่าไรก็เก็บไว้เพื่อผลประโยชน์ที่ที่ควรจ่ายไปกระจายไปเพื่อผลประโยชน์นี่เดียวผู้มีธรรมไม่เสียตัวให้พากันจดจําเอามีห้ามี 10, บบสิแบ่งสารส่วนไว้โดยดี อันนี้แบ่งไว้สําหรับครอบครัวอันนี้แบ่งไว้สําหรับความจำเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยและความจำเป็นอย่างอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แยกไว้ให้ดีอันนี้แบ่งไว้สําหรับทําบุญให้ทานเพื่อเป็นผลประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อจิตใจของเราเวลาตายไปแล้วจะได้สายบุญกุศลที่เราบริจาคทานนี้ละ่ะมาเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายมัยกเราไปสวรรค์ดได้เพราะบุญกุศลนี้สมบัติเหล่านั้นที่ทิ้งไว้เฉยก็เป็นเศษกระดาษเสศจเงินเศษทองเสศจทาต เมื <c oughs> อ่อพลาดไปต่างๆพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรนามาทำประโยชน์ก็เป็นประโยชน์แก่เรานี่ให้คิดกันอย่างนั้นนะอยาชุ่ยสุ่ยลลืมเนื้อลืมตัวเพศประเพณีของชาวพูดเราให้รู้จักพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างนะการปฏิบัติตนเองแล้วมีศีลมีธรรมอย่าให้ศีลธรรมผ่านไปได้ให้มีตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจเป็นไฟเผาตัวนะถ้ามีศีลธรรมเต็มหัวใจอยู่ไหนสบายหมด น, นั่นแหละสบายแล้วตัว อ, อย่างเช่นพระท่านปฏิบัติ เพื่ออดเพื่อทำจริงๆแล้วการอยู่จาริงใช้สอยท่านไม่เป็นจังบนนะอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้ น, นอนไหนนอนในล้มที่ไหนหลับไปตื่นขึ้นมาภาวนาเรื่อยไปละกิเลสเรื่อยไปละกิเลสไปเรื่อยไปจนกิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วท่านแสนสบายอยู่ในกระตอบก็สบายอยู่ล้มไม้ก็สบายอยู่ในธรําเงื่อมผาท่านก็นสบายเพราะสบายอยู่ที่จิตใจไม่สบายอยู่ที่หอวประส า, าทและจมื่นเทียน ท, ทั้งๆทีต่ ต, ตัวเองเป็นไฟเผาอกอไปอยู่ห อ, อรประศาสตร์ทีไหนก็มีแต่หอรประศาสตระแต่ตัวเองเป็นไฟเผาหัวมันดีแล้วเห้อนั่นนะให้เอาทำเข้ามาชฉลมใจหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบร่มเย็นอยู่ไหนสบายเลยตายก็ตายง่ายผู้มีธรรมในใจยิ่งทำเต็มหัวใจแล้วตายง่ายที่สุดไม่ยากอะไรเลยลุ้กหัวลงลำไม้ลงไหนตายได้สบายอยู่ในถ้าเหมื้อผาที่ไหน ตายได้สบายๆผู้มีทรรในใจไม่มีความกังวลแต่ผู้มีจิตเดชเต็มหัวใจนี่ยังไม่ตายก็ก็ก็กลัวตายกลัวตายอย่างพระผีบ้าตะกี้นี่แหละมาขอพรอให้อยู่อายุยังยืนยังยืนมันจะยืนไปที่ไหนโลกเขาโลกตายสั้นจะให้ ย, ยังยืนไปไหนนี่มันบ้าพระอย่างนี้นะักเข้าใจไหมก็เรื่องมันจะตายอยู่แล้วด้วยกันดูกับลมหายใจลมหายใจหมดเมื่อไหร่ตัวผู้มาอารัธนามันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละ อย่าว่าแต่ผู้รับอราราธนาเจ้ายิ่งไม่รับรับแปรรัศนาโมคาลรัศนาขวางโลกเรารับแปรทำไม่ได้รมของโลกยี่เลตต่าหาขวางโลกนั้นพากันจดจำไปพิจารณาตัวเองด้การแนะนําสั่งสอนก็เพื่อความเป็นอดเป็นธรรมขอให้ทุกๆุท่ทานที่มาทั้งใกล้ทั้งไกลวันนี้มาสาองแสงฮาบุญหาบุญศลจากครูจากอาจารย์ได้ยินได้ฟังเสียงอดเสียงธรรมแล้วก็ชุ่มเย็นภายในจิตใจนําไปประกอบหน้าที่การงานทางโลกก็สงบร่ำเย็น ทางทำก็ยิ่งชุ่มเย็งภาในใจตายแล้วเป็นสุขเป็นสูข่ขอให้ท่านทั้งหลายจำเนียไว้ให้ดีนะ <c oughs> วันนี้เป็นโอกาสอันดีจริงได้ให้อวาดสั่งสอนท่านทัง้งหลายทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดประชาชนให้เดินนำที่เลิศเลินี้ออกไป <c oughs> ปฏิบตัติต่อตัวเองแล้วจะเป็นมงคลขึ้นมาในตัวเองทั่วหน้ากันนะถ้าไม่ปฏิบัติ ต, ตามจะมีมากขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เศษมนุษย์อยู่ั้นั้เง ถ้าทำมนุษย์ให้เป็นมีคุณค่ามีาาราคาต้องรู้จักดีจักชั่วต้องคัดเลือกสิ่งดีสิ่งชั่วออกจากตัวสิ่งดีนําเข้ามาสิ่งชั่วปัดออกไปตามคําคสอนของพระเจ้านี่ก็จะเป็นมงคลแกบ่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยชั่วกันการเทศนาว่าสนรดีมากไปมากไปถ้าขาดมันก็ไม่อํานวยมันคอยที่จะหลุดลุยหลุดลุ ย, ลยคอยที่จะพังดีไม่ดีเครื่องรถบินไปเงไ ป, ไปเครื่องมันก็จะหยุดนึ่นตั้งแต่ที่จะของเหยียบการเร่งเร่งอยู่ เครื่องมันหยุดแล้วเหยียบจนฝ่าเท้าขาดมันก็ไม่ไปละอันนี้คือมันกลังท่าแขนนี่ก็เหยียบมันไปเหยียบมันไปสุดท้ายฝ่าเท้าก็จะขาดเพราะะฉนนั้การแสดงธรรมบัีก็เห็นว่าสมควรแต่เวล่า เ, เวลาจึงขอฝากธรรมะไว้กับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายทั้งฝ่ายพระและข่ายกัลวาสธรรมที่นํามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ธรรมที่เป็นมงคลทอรดรวบาจากจีใจทุกอย่างที่มาพูดวันนี้ ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเช่นสังฆาประชิกไม่มีในพระหรหัสนี่ก็ไม่มีใครพูดเราพูดได้อย่างเต็มปากของเราเต็มหัวใจของเราทุกอย่างออกมาจากนี้จึงไม่ไม่มีความสงสัยว่าจะผิดไปนี่ส่วนใดที่ยอมรับในสร้างสมมูิก็ยอมรับส่วนใดที่พ้นจากสมมูลไปแล้วก็บอกว่าพ้นแค่จิตที่บริสุทธิ์แล้วหมดขึ้นจังหวัดสมมูล ต, ตัวประการทั้งปวงเข้าไม่ถึงเลยเป็นอาถรรพให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปไม่ได้แล้ว ส่วนที่เป็นส ม, มุติยังมีความดีความชั่วความรับผิดถูกดีชื่วกันอยู่ก็ปฏิบัติให้เป็นความสวยงามที่สังคมยอมรับทั้งฝ่ายพระและฝ่ายฆราวาสโลกก็มีความสงบร่มเย็นละงามตาประฏิการมองดูพระก็งามตามองดูฆราวาสก็งามตาเพราะกางปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสังคมที่ยอมรับกั น, นาการแสดงธรรมนารีก็เห็นว่าสมควรแก่าตุแก่ขันแก่เวลามเวลาอขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดา พี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอเอออย่างไรวันนี้่ะเออเหนื่อยแทบไม่ถึงไหนเหนื่อยเลยกีนนาทีฮะแท็กกินนาทีฮะเอ๊ะทำไมสามสิบนาทีนั่นเลื้อฮะโอเหนื่อยอะแทบมันเหนื่อยมันเริ่มเผ็ดร้อนมาจนตอนนี้มันก็เล่นหน่อยกับข้อกาอะไรคน หลวงปู่วัดโพธิสมบูร์แล้วก็ขอโอกาสหลวงตาคณะพระลูกหลานจะได้กราบถวายสักการะคารวะองค์ด้านหลวงตาในระดับไปครับขอกราบในมนพระเดชพระคุณพระญาตทีปอาจารย์ได้นําพระลูกหลานแล้วก็วาดทุกๆท่านได้บคารวะหลวงตาครับขอกราบในมนครับผมพูดดิ่งมันก็าวมันไม่ค่ได้ยินนะเอาทําก็ทำทำก็ทำแล้วขอโอกาส เออกาบสกอกลาบสกอนเออเออเอ่ อ, อ, อแทเหนื่อยนะอ่าอืมลดเมละโมพร้อมกันเนอ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทตะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทตะนา ข้มาห้างขมามีตุ้มแห่ีปิเมฆข้มีตาบังอมามาอันแต่แวางโห่ตุโยจะปุเบปมัาชิตวัวปัชชาโซนประมาชัติโซมังโลกังบบพาเสติอภามุโตวจันณิมายัสสปาปังกตังกัมมังกุสชเลนัปะหิยติโซมังโลกังบบพาเสติอภามุโตวจันณิมา อภิวาจนาซีลิสนิจังอุทาปจ า, ายโนจัตตารธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพาลังทีนี้จะให้พรพร้อมหน้ากันทีเดียวนะให้พรพร้อมหน้ากันหมดคราวนี้ให้พรเรียกว่าให้พรใหญ่ ยถาวาลิวหาปุราปริปุเรนติสากรังเยวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปาคปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสาเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติ ระโสยถาสพีติโยวิวาชนตุสั พ, พโรโควินาศตัวมาเตผวัตมันตรายโยสุขีทีฆายยโกภวะอภิวาะดาศีลิสนิจจังอุทาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังภาลัง ภาวะตุสาพมังขะลังราคานตุสาประเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเถรภะวันตุเต หมดรถกาลังออกกลางไทยโอ้ยคนมากนคมากครับนักพากยั้โยมวันนี้นักพากทั้งโยมท่นสาราครับไม่มีที่พักครับสาราเราไม่มีไม่มีกองไม้นะประชุมแต่ละครั้ง เวลาเรียรมหมายเขาดัวนกว้างเวลาคนมามาก็ไม่กว้างมนกัดเต็มหมดเลยพระอะไรเป็นบ้ามาจากวันไหนไม่รู้วันใสจะว่างไม่ั่นไม่ได้มันดึงด้ไม่เข้า้หน้าหาทำไม่เข้าาดใสจะเพียงจันทร์จำย น้ำก็เอากั น, น, น, นากาอาน้ำน ก, ก็น้ำก็เอาบางก็เอาบางก็เอาท่านเจ้าคุณยังสุดมากกว่าเราเนะครับสุดมากเดี๋ยวนี้ท่านนอนต้องมีพระคอยประคองตลอดเคลื่อนไหวไปมาต้องมีพระประคองเราไม่มีเราไม่ให้มีเราห่องตัวอยู่ตลอดไปไหนสะดวกสบายตลอดไม่มีอะไรละ วันที่12ซิงหาเหรออ่าวันที่2มัจะมาเหมือนกันนะอา <Yeah. S 1> uh, จะมามากวันที่2ทีวีนิวชาชนก็จะมากกข้างกรุงเทพก็จะมากัน <Yeah. S 1> วันที่2 <c oughs> นิมิตาก่อนเกินดกนี่ะโยมแม่ฝันก็นเข้าท่าดีอยู่น้าละเอ้อน่าฟังอยู่ ยมแม่ฝันยอมพ่อฝันไปอย่างหนึ่งยอมพ่อฝันว่าได้มีดปลายแหลมจิ๊บอะไรวะคมจิ๊บบางอันยอมพ่อฝันทีโยอมแม่ฝันมันมันขัดกันเป็นเรื่องฝ่ายผู้หญิงจ้ะอันก็เป็นอย่างนั้นเช่นลูกผู้ชายคนหัวปีก็ก็แบบเดียวกันขัดกันพ่อกับแม่ขัดกันแม่ฝันไปยังพ่อฝันไป แม่ฝันว่าได้สีพึ่งปูมามอบให้เองว่างั้นมอบตลับสีพึ่งให้ที่ส่วนส่วนพ่อนั้นฝันว่าได้ปืนแม่นั้นฝันเป็นฝ่ายผู้หญิงสีพึ่งนะส่วนพ่อฝ่ายฝันเป็นฝ่ายผู้ชายปืนที่นี่มาหัลเรานี่ มาเวลาเราจะเกิดเนี่ยอมยมพ่อฝันว่าได้มีดปลายแหลมคมจิ๊บเลยว่ามันยอมแม่ฝันว่าได้อะไรพวกตุ้มหูพวกอะไรนี่โอ้ยเต็มหอดย้อยเหลืองอลามว่ากั้นนะสวยงามเลย <c oughs> จากนั้นก็ไปยืนเงาในหน้ากระจกไปดูงูที่เครื่องประดับ <c oughs> ยอมแม่ฝันเครื่องประดับพวก อะไรเขาเรียกอะไรตุ้มหูพวกขจยจอนอะไรมันโยดย้อยลงมานี่เพราะเอียงนี่มันเรื่อมผับผับผ บ, บสวยงามทีนี้เวลาจะเกิดแล้วพ่อกับแม่ก็เถียงกันพ่อกฝอ็ฝันไปทางผู้ชายแม่ฝันไปทางผู้หญิงไอ้เวลาลูกคนที่สองเกิดมานี่ก็ฝันกับปีนเกียวกันเหมือนกันแต่มันก็เกิดเป็นผู้ชาย <c oughs> ก็แฝงอยู่ไม่ได้ไปทางเดียวกัน ฝ่ายแม่เป็นยนตเครื่องประดับผงผู้หญิงนะฝ่ายพ่อเป็นเป็นมีดเป็นเกี่ยวกับผู้ชายนะน้องนั้นไม่ปรากฏเลยวะถ้าเกิลูกมาเกิดมากมีสองคนจะนั่นเราเนี่ยไม่ปากฏนะฮะไอผู้ชายมันมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะผู้ชายพี่ชายมันดีอย่างหนึ่งกับน้องๆเนี่ยมันติด มันไปไหนนอง น, อนี้ลุงตามเลยนะกับเราไม่มีใครติตตัวเลยเพราะขูวว่ว่กวอกนีเ่เขาเขากลัวเด็กเขากลัวพวกนอก้อง ไ, ไ, ไ, ไม่มาติดแล้วดีไม่ดีเขาเียนดยนเราเลยรัก <c ười> กับพี่ชายนไปไหนลุงเลยพี่ชายใจยดีกับนออ้องไอ้เ่าไม่ได้เป็น <c ười> อย่างนั้น <c ười> มันต่างกัน เราอสอเรายังอดขอบขันมาได้ไอพี่ชายไปโรงเรียนไปโรงไปโรงเรียนเขารับคือจัก่อนอายุสิปีเขาต้องจะรับเข้าบัญชีเข้าโรงเรียนถ้าไม่ถึงสิปีเขาไม่เข้าทีนี้พี่ชายอายุสิปีแล้วเขาไปเข้าโรงเรียนพี่ชายไปเข้าโรงเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเขาเขาต้องไปยืนแถวจะก่อนนับหนึ่งสองสาม คนที่หนึ่งนับหนึ่งคนที่สองสองคนที่สามนับไปเรื่อยอยู่เก็ไปยืนดูอันนี้พอถึงนั่นแล้วก็พี่ชายเ่านี้เป็นคนที่สิบเอดเขาก็นับตั้งแต่ต้นแถวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคนคนที่ห้าเขาก็นับห้าคนที่หกหกมาจนกระทั่งถึงคนที่ส1บอ็ด มาถึงพี่ชายเรายืนอ้าปากอยู่บักฮาดนียเรายาวางเขาใจไม่ยืนอ้าปากเราต้องบอกไปว่าซิฟอนตี <laughs> ่เราว่าอ้าเราเป็นน้องเราเรายืนดูซิอน <laughs> ี้ว่าซีฟแอดโอ้ยบักฮาเลย <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> เขาใจไม่ฮึ <laughs> <laughs> เขาก็นํามาดูลำดับมันก็รู้อยู่แล้วจากคนที่หนึ่งเป็นหนึ่งคนที่สองสองมาถึงคนที่เ <laughs> ดียดายืนเธออ้าปากเราก็โมโหเดีกันซิแอี่เราว่าซีอโอยเราจะไม่ นี่อันห น, นะนึ่งนะนี่แหละเรียนหนังสือเราเราขึ้นปฐมมันเน่้ยงมันขึ้นมันบารอย่างโม่งขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> อ, อนี่เอาอะ่นี่เอาอนี่ครูเขาก็ถามเราที่นี่นะครูเขาถามถามถามแล้วคือนักเรียนจะจะตอบต้องยืนขึ้นตอบนะเพราะครูเขานั่งอยู่เก้าอี้แล้วก็ถามว่าค้างคาวแปวลว่าลูกขึ้นกําไพ้นกําไสว่าลูกขึ้น นี่คือก้าขึ้นไปมอง น, องะอะอนงงั่นมข้างคาแปล ว, ว่าอะไรไอ้พวกเพื่อนฝูงอย่านี้กระซิบกระซาดกันมาข้างคาก็แปลว่าที่อาชีพเขาว่าเขากระซิบกระซาดมาเท่านี้เลยละไอ้เรามันเข้าใจแล้วนั่นมันต่างกันน่าละที่นี่ก็ข้างคาแปลว่าอะไรแปลว่าเที่อาว่ากัน ที่นี่เขาพิกิตร์เกียร์แปลว่าอะไรที่นี้อาป่าโอ้ยบักคาไอหม้โหัวแล้วก็รู้แล้วว่าค้างคาต้องแปลว่าเจียเจียรแปลว่าข้างคาวเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้นบักคาเนี่ยวะเออข้างคาแปลว่าอะไรแปลว่าเจียร์หัทีนี่เขาตอบเขาทํามมาเจียแปลว่าอะไรอาป่ากโอ้ยมันคนั้นเขาก็สีกัวซาคือถือซีกัวซาพูดว่าแปลว่าเจียแปลว่าดังบี้ มันจะโง่จะตายหรบังคาบอู้เราโมโหดีก็เรานั่งฟังอยู่นอยู่คนละชั้นมันก็ยุติกันข้างคาแปลว่าอะไรเราแปลว่าเจียแล้วเกียรแปลว่าอะไรพวกเขากงจะบอกกันตลกกันเลยเกียแปลว่าดังวิบังนี้อันนี่กับว่าแปเกียแปลว่าดังวิโอ้บังคับ้ายนะอู้เราก็มี wie, father, ล <laughs> <lived right. S 2> <c oughs> ุงนะอพี่ชายกับน uh <c oughs> ah. ้องชายมันก็ต่างกัน เกียรเกียรข่าวแปบว่าเกียร์เกียแปลว่าดังบิโอ้ยฮาเลยว่ะมันจะมันขายหัวอะไรแล้วผมก็ลืมแลมันใจดีกับน้องจะติดมัดไปไหนลุ่มกับเ่าโอยว่าไก่เลยเรื่อยมันเหมือนเสือตัวหนึ่งนอกจากว่ามันบักฮาเนี่ยม่คิดว่าจะไปเข้านอกนะเล่ากับเด็กไม่ตินั่นน่น้องๆไม่เข้ากับเรา เหมือนแล้วนักจะนี่เล่ากันแล้วเอาที่จะไปแล้วอ๋อพูดตลกขบันกันไปข้างข่าวแปลว่าอะไรแจร์มันแปลว่าแปลว่าเกียเจียแปลว่าอะไรแปลว่าดําวี้วเขาอกฮาไปแบบมันจะมาโงอะไรม้ยมันก็พลิกกันทอนนั้นเองมันกันไนเราเข้าใจล้วไง เาลิกลึงไปลไปลไปกันไดไปเลยอจาีกอนเอาละไปลอ้ยเหนื่อยมันกนนเากันอมงกว่าแล้วไปด่ะหมดไปแล้วยังเหลือเล็กน้อยนะไปกันหมดลเออไปละเราเ็นลูกไปเออุ้ยเหนื่อยนดี